คือไอพี่จะาผมนี่ก็เป็นธาตุหนึ่งที่เราสวดธาตุผ่านมาในธาตุหกผมนี่ยอยู่ในธาตุดินเกิดทนเรียงไว้ทีหลังท่นจึงกล่าวถึงวายุธาตุคือธาตุลม เพื่อเราเข้าใจในชีวิตีเรายังเป็นอยู่ดีภพภูมิระภาค็รารมเป็นยอดของชีวิตจิตของเราคือธรรมะคือสติรักษาจิตนชีวิตกับสติ กีดตีเป็นยอดของหัวใจแต่เราใจดีแล้วเอาธรรมะเข้าไปคุมจิตการบริหารใจจะเข้าใจในเวลาลมหายใจลมข้าวลมออกท่านตัดลมหายใจอัดสาสะ อัดแปลว่าออกก็ได้ใช้สงสงสัยก็ได้อัดสะสะคือลมออกแล้วก็ดึงลมเข้าที่ลมกลัวลมทำให้ชุ่มของร่างชุ่มทำให้ชีวิตนี่ชุ่มชื่น กินลมหายใจทั่วลมออกทั่วสระมังกายทุกขุมขนกินลมในท้องบ้างลมในท้าย ัมหายใจอย่างนี้เขาเรียกาดลมลมพัดขึ้นเบื้องบนเบื้องบนเบื้องต่ำบางทีลมขึ้นบนมากเกินไปทำไมหูอื้อแต่เราเข้าใจวิธีเรากำหนดลมเราทดลองว่าการทำลมหายใจให้ปกติเรารู้ลมหายใจเนี่ย จะแก้ไขทำให้ลมดีไหมตามหลักของเหตุผลพะเราใจของเราอาศัยกายนี้จัรยกถึงธาุลมแต่เราทำอาจารเรียกว่าอาณาปานสติมีตติตามดูลมหายใจ เป็นองค์ของกรรมฐานในกรรมฐานอนุสติสิบเจนพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศ า, ศาสดาเป็นครูสอนทรงชี้นำให้สาวกดำเนิน เดินไปสู่ทางแห่งความปลอดภัยในอนาคตตามความปลอดภัยในปัจจุบันและปลอดภัยในอนาคตแต่เรากำหนดคิดอายุกับลมหายใจแล้วบริกรรมพุทธโธพุโทโธเนี่ยแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นานๆเข้าอาการจิตอยู่สว่างขึ้นมาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งกับอยู่กับลมหายใจเป็นกาความเอ ก, กักรตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวไม่แสดสายไปรัเรื่องราวต่างๆแสดสายกับสัญญาอารมณ์เรื่องที่มันผ่านมา แต่เราขาดสติมันก็เข้ามาเข้ามาทางตาบ้างเข้ามาทางหูบ้างเข้ามาทางจมูกบ้างเข้ามาทางลิ้นบ้างทข้ามาทางกายบ้างเลยทำให้ใจนั้นวุ่นวายมันแขกมามาก แต่เรายังไม่รู้ตัวแบบนี้เราตร้องตอนรับแขกอารมณ์ที่มันจนมาเป็นแขกท่านตรัสไว้่างนั้นแต่เรามีเราเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมต่อสู้เราไม่รับต้องเลือกแขกเองแขกที่ดีจริงรับ อย่างในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาเลือกคนเข้ามาอยู่อย่างสมัยสงครามอะไรที่ที่ทกงโโองอบยบเขาไปเลือกเขาเล่าให้ฟังเพราะคนไม่มากในประเทศออสเตรเลียเนี่ย เมกะปูชายก็ว่าเรายี่ิบล้านเขาเลือกทวีปหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงประเทศให้เป็นประเทศที่น่าอยู่มีรงเบียบที่ดีขึ้นมาแต่เราไปเห็นหลายๆที่เรามาเทียบขึกัน แคนี้ภายในรวงใจก็เรียกท่านสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราควบคุมจิตรับสิ่งที่ดีเข้าสู่ใจในขั้นต้นท่านอบรมเบาเตาของเราก็เป็นเบาเราพยายามสํารวมระวังใช้ธรรมะ ให้เ่าเรามีธรรมะคือสติจะทรงอารมณ์เข้าสู่ใจส่งอารมณ์ที่ดีเหมือนอาหารที่เรานำมาฉันนามาโมริพเอาอหารที่ดีก็มีประโยชน์แก่ร่างกายตาคนนี้นำอารมณ์เข้าสู่ใจให้เป็นมิตรกับจิต ให้เป็นมิตรดีจึงดูกันได้สบายเป็นทิติสามัญญาตาขึ้นมาคือความเม็นตรงกันศีล ส, สมมาตรคือมีคุณธรรมมีศีลเสมอกันคือเป็นคนดีขึ้นมา ในส่วนที่ดีนับคำรับคำ ม, มาภาษาของธรรมะก็แบบสัมมวลระวังครับถ้าเราขาดธรรมะคือสติรับเรื่องราว้า ม, มาใ ห, ให้ใจเราวุ่นวายรับอารมณ์ไม่ดีเข้าสู่ใจทานิงว่าเอาสติเป็นเครื่องกั้นสตินี่เหมือนกับเกื่อนกั้น สติขั้นสูงมันจะติดทรีความเป็นใหญ่ในระหว่างตากับใจครับตามีธรรมะคือสติรับสิ่งที่ดีเข้าสู่ใจให้เป็นอาหารของใจให้เป็นคุณภาพ อารมณ์ที่ดีรับความดีเข้าสู่ใจหูก็เหมือนกันเราฟังโสตรประส า, า์ที่เราฟังบ่อยๆฟังธรรมหูก็เป็นองค์กรของใจเป็นสื่อเข้าสู่ใจ เสียงธรรมเสียงธรรมฟังบ่อยๆตาใจเรามีถ้าหูมีสติก็เอาสิ่งที่เป็นธรรมเอาสิ่งที่เป็นดีทาให้จิตนั้นมันยนืนรับเสียงที่ไปร้าะรับเสียงที่เป็นประโยชน์ที่เขาศึกษาหาวิชาความรู้รับความรู้จากเสียงอื่นนั่น เขาเดินด้วยโซตประศาสต ร, ราาตเพราะเป็นองค์กรรับคำสอนที่ผ่านทางหูอย่างคนหูดีแต่ก็มีเขาทำเครื่องสอนของคนหูหนวกก็ไม่อีกเพราะฉะนั้นคนได้เป็นคนเป็นคู่ต่างบอดทางหนวก ถ้าบอดมาากำเนิดนบวดในศาสนาไม่ได้ท่านบัญญัติท่านตัดไว้เพราะมันโพระขาดเครื่องอุปกรณ์ซึ่งไม่สามารถจะบำเพ็ญความดีทำชีวิตนี้ดำเนินไปตามคำสอนในทางศาสนาคำสอนท่านสอนใด้ดีจางนั้นไม่ได้สอนให้เสียทุกแห่ทุกมุม ขอสำคัญคือในขั้นต้นคือสติเป็นธรรมะที่อุปการะทุกที่ในขั้นตน้ตญญตนยันสติสัมชัญญาสติปัฏฐานฐานปีติตั้งแห่งสติคือกายอยันนี้ที่เรา หรือในย่งหนึ่งก็สติเป็นกระจกทรงเรามองให้นกายเห็นรูปรักษณะของร่างกายจึงเเราเข้าใจในลักษณะของร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ที่เราสามารถส่งกระจกเระมองเห็นได้ ที่มันภายนอกอยู่ภายนอกจิ่นผมก็ดีโลมาขนทั่วสบางกายก็ดีจิ่นตันแต่แบกเว้นเด็กกว่ามือกว่าเท้าก็เป็นหลักธรรมดาพระเจ้ากรรมสร้างมาแล้วมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้น นักขาเล็บก็ดีเป็นเครื่องมือใช่พอะจะจะเกิดกันเอาเอาเล็บไปเขาไป เ, า เ, าเล็กๆอยนี้่ะเป็นเครื่องประดับของร่างกายอ่ะเป็นธรรมชาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของขันเป็นอย่างนั้นดังนั้นบัญญัติว่าเล็บปัจ า, าบาลีว่านักขาแปลว่าเล็บ นันตาฟันบางคนฟันสนิทรักษาให้ฉันอาหารเจษอาหารแทรกไม่ได้เรียบใครไปทำมะบุญสร้างแเราต้องสร้างบุญถ้าสูงก็ต้อสร้างบารมี เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิเนี่ยทำจิตให้เราฉลาดรอบรู้ในในเรื่องของร่างกายของเราเองเหมือนกันหมดเอาปัจจัยว่าันตาฟันตาโจงหนังหุ้มหอไม่สิงสกุกกะโปรงหลังไหลออกแต่ถึงอย่างไรมังหลังไหลออกทางทวารทางเข้าที่เราต้องรักษา ทั่วกระดานบานก็ออกได้เป็นเนื้อใครแต่มืก่กโสกับปลกกันแนตะ่เราไม่จเราไม่ไม่อาบน้ำไม่้ังไม่ฟอกไม่อาบน้ำไม่สงน้ำประสาทาหรือสรงน้ำก็เพื่อนกนะันจึงใช้จานวนให้ตหาดรวยมุนทินมุนทินของร่างกายที่ไปท่านมันย้อย ออกทางเรือไกลเป็นมนทินด้วยพอแหง้งมันเหนียวเป็นก้อนขึ้นมาเราทดลองอะไรวันทงน้ามันเป็นก้อนคําสอนในทางแต่เอกความเป็นจริงเราเข้าใจในความเป็นจริงอย่างที่เราเนี่ยเราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นกรรมฐานเป็นอาหารให้เข้าใจในความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมีของมีอยู่แล้วนของที่ไ ม, ม่มีก็พูดกันไม่ได้ เป็นไว้ยทีู้พูด ม, มันลึกละเอียดอ่อนไปเหมือนสนิมใจนี่เขาอบามาแบบสนิมใจมันสนิมเหล็กเหล็กแีก่เขาทำมาใหม่มันเท้เพาพอได้อากาศเขา้ามันก็เกิดสนิมขึ้นมาจิตของเราจิตธรรมาชาติมันผ่องใสแต่พออาศัยอารมณ์เขา้าอารมณ์เข้าทางตาบ้าง แต่เราพอใจคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเลยไปขังอยู่ในหัวใจเพ่งแต่อารมณ์ทําให้เรามีความรักใคร่อะไรอาบนในบุคคลผู้นั้นถึงเขาอยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็ใจไปรับอารมณ์มาให้อยู่ในใจก็ได้ในบุคคลนั้นมีอะไรขึ้นมาเราเป็นกังวลกับน้ําตาออกก็มีเหมือนกันเมื่อเหตุเกิดขึ้นในทางที่ มันเป็นภัยในเมื่อเราไม่เข้าใจลึกลงไปว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของเขาที่ทําไว้ที่เราสวดมนต์กรรมมัจจโกมีคือการการะทําเป็นของของเรากรร ม, มพันธุกรรมพวกพ้องที่ก็ไปรวมกันทํากรรมเป็นพวกเป็นหมู่ เราด้กรรมพวกพ้องกรรมมโยนี้กรรมแต่งให้เกิดความดีถ้าเราทาความดีแต่งให้เราเกิดดีต่อไปเราดีมาแล้วในปัจจุบันนี้ในรู ป, ปรกายมันดีแล้วผิวพรรณก็ดีอยู่แล้วตาจูหนังมังสังเนื้อมังที่เนื้อคนละเอียดเนื้อไม่หยาก แต่เรามาพิจารณาตันแต่งอธิบายบุญเป็นเครื่องแต่งแต่เรารีบไปสร้างความดีในเวลาที่ของนี้ยังมีคุณภาพมันมีกำลังมันมีอย่างใช้หานได้ได้ดีอยู่บางสังเนื้ออัฐีกระดูกมันโครงสร้างที่เขาทำไว้เนื้อไปฉาบ แล้วเอน็นเอน็นก็รัดไว้เอ็น่ะไรเก้าร้อยรัดแต่ดูมามันกันก่อสร้างทำฟ้าเรือนเขาผูกเหล็กฉาปูนปูนผสมกับปูนบ้างชายบ้างน้ำบ้างมาผสมแล้วก็ฉาบ ให้พอดีแข็งให้ได้ส่วนร่างกายของเราเหมือนกันน่ะกรรมเศกสรรให้ได้ส่วนของของของกระดูกที่รับรองได้รับส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่จงอยู่ได้เราเห็นโครงกระดูกที่ทเขาทําไว้ก็แล้วกันอัฐิมีอย่างเยอะในกระดูก น้ำมันหล่อรื่นกับเครื่องยนต์นกลไกวาสาน้ามันเหลวได้ทำในำ้อิอิเมียงจังได้ว่ากรรมมัม่มอาาันตรางหัวใจปาสังปอดอันตกุนังไตปาสังปอดอันตกุนงังไตน้อยอนใหญ่ไสรถไส ก็ถ่ายเอ็กซเรย์มันจะเห็นอย่างเป็นโรคปอดแต่นี้เป็นโรคมะเร็งบ้างะมะเร็งมันเป็นไปไปแย่งอาหารในภายในร่างกายของเราถึงขาดกำลังไปกินเลือดบ้างมันมันนเป็นเหมือนกับราก ถอยขงต้นไม้อาหารที่เข้าไ ป, ไปไปทำเป็นกรรมไปกรรมประดูกก็ไม่ได้พวกนี้กินอาหารหมดจึงเขาเรเป็นมะเร็งแต่เราอย่างนี้มันส่วนละเอียดลึกลงไปยิ่งเราทำ ม, มันเป็นภาวนาขอยติมีสติปัญญา นึกซึ่งเฉียบแหลมคมคายรู้ในในร่างกายรู้ลึกลงไปเขาเรียก ว, วิชาวีชาคือความเจ ร, ริญฉลาดอึ่งคนสมนัยนี้คนที่เขามีบุญเขาเรบีบุ ญ, บ ญ, บญมีมันสมองวิสัยทัศน์เห็นไกล แววิสัยของพระพุทธเจ้าชงเห็นลึกลงไปเรียกว่าปุเพนิวาตรานุตติยานยานอย่างลึกในการเกิดของเราเราเกิดมาเรามาเกิดปัจจุบันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสรำค้าเราเอาเด่น ควมเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบา ร, รมีให้แกเราเองบำเพ็ญความดีเมื่อมีโอกาสก็บำเพ็ญความดีบำเพ็ญทานก็อุดมสมบูรณ์อย่างที่พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ได้ญาโยมทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญทานโดยศรัทธาเรื่อบำใสอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งสมบูรณ์ พราะงั้นผู้ที่เป็นอย่ในทางศาสนาก็พิจารณาเขาสร้างเราสร้างบุญของเราต่อไปมันเป็นความดีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทรงดำรงพระพุทธศาสนาหลักใหญ่ในทางศาสนาเป็นปาติโมกขสังพรสศิลป์เป็นรากแก้วของต้นไม้ ต้นไม้จะเอารากแก้วยังลึอกอะไรต้นไม้ก็สูงเป็นลำดับไปแต่ละปลูกเป็นแถวแถวสามารถต้านลมไว้ได้เพราะความดีที่ผู้สร้างบารมีบำเพ็ญศีล อย่างเป็นผู้บำเพ็ญเนตธรรมบารมีเครื่องเครื่องบังคับเจริญปฏิบัติมีมากดังที่้าจ้าวพระทานอ่านวินัยขณะวินัยของของผู้นักบวชไปคราวาดในหลักแปดประการเขทาท่านอธิบายไว้เหมือนกันส่วนเล็กๆ็กน้อยๆย ย, ย่อย เป็นรากฝอยที่นําอาหารมาเลี้ยงลาต้นของต้นไม้รากฝอยมันเป็นไปอาหารมาเลี้ยงลําต้นของเราเมื่อเปลือกมันดีของมันเปลือกเลี้ยงตามตามเปลือกของต้นไม้เข้าไปอาหารถ้าลราเอาเปลือกออกตายต้นไม้นั้นตายนี่เราสังเกตได้ไปทางภาคเหนือ เขาไม่ไมีไปงานเปลือกอกหมดรบอบต้นไม้ก็ตายเพราะมันไม่สามารถจะรับอาหารไปดอเลี้ยงได้ในทางศาสนาเหมือนกันถ้าเราขาดอาภิษมาจริการศึกษาควรศึกษาของทีละเอียดมางกของอุปกรณ์ทุกๆอย่างแล้ยหลายอย่างชีวิตี่เป็นอยู่ไปจำวัน อาหารเครื่องรุ่งองมบ อ, อกปิดที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้มีฮิตเตอร์ป้องกันความหนาวต้องเสียค่าไฟแพงออกมาเพราะแรงแห่งศรัทธาผู้ที่ให้อุปนิมัยเป็นหลักของศาสนาผู้ที่เข้ามาสู่ศาสนาก็จะต้อง ต่อสู้โดยวิธีการต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาเป็นจัตจรูภายในใจของเราผ่านทางตาผ่านทางหูอเป็นอารมณ์อารมณ์รักมังอารมณ์เกลียดมังอารมณ์หลายๆอย่างแต่เราตัวตาพิจารณาแด้จริงเราเข้าใจผิดเราเอง เมื่อขาดธรรมะคือสติแเคว้ไปต่างๆนานาความเข้าใจผิดของอริยนาเครื่องโตเข็ น, น้าตอกับรูปหูตอกับเสียงกลิ่นตอกับจมูก รถต่อกับริ้นทิงที่มากระทบมาสัมผัสกับกกยหนาวร้อนเครื่องที่มากระทบกับกายอ่อนนิ่ม อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นแนวไปอารมณ์ใจแต่เราไม่พอใจในอารมณ์อะไรก็มามาคิดนึกปรุงแต่งเพราะงั้นตัน้งึงใช้สติปัญญา ในกันต้นที่เราฟังแล้วฟังธรรมะโพชเนมัตันยูตาหลงตามาบัวดันเทศฟังจริงๆด้วยแหะนี่เคยไปที่ไหนอาหารน้อยมันเบาถ้าอาหารมากก็ท้องมันอืด น, นี่เป็นความจริงท่านอธิบายอย่างนั้นภาวนามันซึมซึม แตนติงสงศ์ น, นะโพชเนมัตตันยูตาสมเด็จพระหมหาสมณเจ้ากรมมะพนิยาวัชิรยานนะโมรูรสทรงปรรณามมนุษยนามีดีรูปมีตึกตึกอะไรที่ถึงมนุษยนา ว, วัดปวริเวชบริหารทรงสงศ์ฉลาดแต่งหนังสือปวใีณมุข ในมุกเดิมหนึ่งเมสองพุทธประวัติเดิมหนึ่งเมสองว่าธรรมสมบัติอกีกเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่เราดำเนินปฏิบัติตามธรรมะชาก น, านุโยคคือความเป็นผู้ตื่นไม่ถูกความหลับคือคีเด ที่เราหลับกระทุกความหลับสุดท้ายมเราอยู่ริมฝั่งแม่น้ำถ้าเกิดทุกกไปหลับเียคลื่อนก้อสัดน้ำพัดผันไปมันเป็นไผอุทกระไผมันกับอุตกภัยวายโยไัยคู่กันไป การนภายในใจของเราคือเรื่างคีเลศคีเลศสะใภ้ตัวสมุทฐานเกี่ยการปฏิบัติตามลําดับลําดับไปเมื่อเราตัดกิ่งต้นไม้ตัดไปตัดไปตัดไปถึงรากถึงโคนต้องขุดรากถึงต้นไม้ังตายนะถ้าให้ขุดรากมันไม่ตายารากายอกคีเลศภายในดวงใจของเราก็เหมือนกันต้องขุดราก หน้ากงกเวคืออะไรราคานั่นสำคัญมากแต่ทำไมเกิดแต่มันเกิดมันมันเป็นวัตาหมุนมันทุกข์มันเราอยู่กลางหมาสมุหดแต่เรา เครื่องยนต์ไม่ดีจะก้าวฟังไม่ได้ต่อสู้กับคลื่นลมไม่ได้ต้องหาโอกาสแล้วก็พยายามดูลมหลีกเข้าสู่กวังเพราะในการปฏิบัติธรรมะมันามันมีมากอุบายต่างๆ ภาษาบอกกายวิเวกบ้างกายวิเวกเป็นเนอ็นอบจิตตวิเวกจิตวิเวกอุบา h t ที่อารมณ์เข้าทางตาทางหูมันเป็นเป็ น, ปนอุบา h ิเครื่องผูกเครื่องผูกจิตของเราตันต่นอุบา h t ไม่แยกใครผูกคริรษเป็นผูกใจเราเองเพราะอะไรเพราะเราขาดวิชาแต่เรารู้ว่าเสียงไม่ดีต้องทำลายทำลายคิริษเพราะงั้นในเราบทตนบนบุตโตนุกขัดราคาตาจากฆ่าฆ่าคิริษ ท่านว่าอย่างนั้นเี่ว่าไฟมันรน้อนดากักี้ไฟมันรน้อนนี่คำสอนในทางาศาสนาของมันกันอปิจักขะตาต้องการน้อยนยตามในงงานของเราทัานโฉนไว้ สันตุติคาถายินดีสันโดดในความดีเราทำความดีได้ขนาดไหนพอใจในขนาดนั้นเราวก็ทำไปทำไปมันก็มากเข้าบําเป็นทานก็ดีบําเป็นศีลก็ดีบําเป็นภาวนาก็ดีอูบาตเนจ่ว่า สมณะธรรมสมถธธรรมทรมที่เป็นอุบายให้จิตมันสงบรับปูตัวจิตต่อารมณ์มันไม่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์อะไรอรอกแต่เรายังไม่เข้าใจรมาอายุแย่งเขาว่า อารมณ์คือนิวนสัญญาอารมณ์ไปรับเรื่องราว่างผ่านมาแล้วสิบปียี่สิบปีอะ้มันผ่านมาไม่ได้เรื่องหรอกแต่เราก็ไปขาดทุนเนี่ยขาดกิจกรรมที่เราทำประจำวันแต่เรารูรู้ที่มาที่ไปก็สามารถกั้น นันเป็นอย่างไในวงใบจั่แผ่นดินของเราพระองค์ทรงสเสด็จไปไหนมีแผนที่เผยรู้แผนที่เพราะแผ่นดินนี้ของพระองค์การนี้เราศึกษาธรรมะวินัยรู้จักแผนที่คือร่างกายของเราเป็นที่เราศึกษาไปเราเข้าใจในแผนที่แสดงของทานผลของทาน ที่ปรากฏด้วยรูปปากันอันนี้ผลของศีลผลของทานที่ให้เราได้สมบูรณ์ผลของศีลในร่างกายสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนเกสาผมก็ดีโลมาขนก็ดีนักขาเล็บก็ดีอย่างเนี้ดันตาฟันก็ดี นี่ต่างอายุฟันปว่วยถอนหมดแล้วหายปวดปวดพอเย็นเอาแล้วปวดนี่เพราะเราสร้างไม่ดีมันเป็นเชื้อโรคมันเกิดขึ้นมาเองลึกลงไปคือเราสร้างกรรมไม่ดีไว้ พอถนหมดแล้วหมดปวดตัวทุกทุกท่านว่าทนไม่ได้พอทุกนั่งไหวร่างกายไว้ใจก็ไว้ไปหาหาวิธีแก้ไขไปหาหมอบ้างหมอก็าปาตัดบ้างใส่ยากินยาแก้ปวดฉันยาแก้ปวดบ้างนี่ทุกเลยทุกของร่างกาย ในคนผู้มีมทุกข์แต่ว่ามันก็นานๆไปแกก็ทุกข์แกแกชราทุกข์เมื่อมีเกิดก็มีชาติทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดมาแต่ทุกข์ที่เรายังอุดมสมบูรณ์มองไม่เคยเห็นแต่ทุกข์ คือความแก่ความชรา ค, คือความคำคลา้ากำวังวังชามันน้อยเจ็นตาไม่ดีดีตาไม่ดีเป็นมาหลายปีแล้วเว้นยังไรๆก็ตาหน้าก็ตาหน้าไม่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ข้านเขาถวายจะร้องราท า, ถ า, าก็ไม่ได้มันเสียแลยว้ว ไไปอเมริกาเหมือนเขาเขาจะทำเว่นได้อธิบายไหนหมอเว่นตาเขาไม่ทำทำแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาไม่เห็นเกลา้าได้เป็นความเป็นจริงมีคนให้เว้นเมื่อก่อนโยมเียให้เว่นมันใช้ไม่ได้นี่ตัดไม่เนี่ยตัดมานตัดเดือนต้องเดือนก็แต่นิดนิดเดหน่อยดูหนังสือก็ยังไม่เคยดีเท่าที่ควร เราะมันเชื่อมไปแล้วนะมันตามันเสื่อมไปแล้วมาหลวงพีง่หู้โท่านไม่ดีมันคนได้อย่างเป็นความเป็นจริงของตัวปยาที่ทำแต่เราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วแล้วก็พอใจในในจริงในกายที่เราอาศัยอยู่ได้นะทันตุติกรัรทันตุติการถานเราพอใจพอใจเนี้พอแล้ว มันยากไปมันสุดวิสัยอส ก, ก, การะฐาให้คุกรีพอสมควรทำมีระถาอย่างนี้เรามาประชุมกันทางวัดก็มีกาบีกาให้เราประชุมกันทำวัดสวดมนต์สวดธาตุก็ทำให้ วายธาตุาเราไม่มีพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าแต่เราไปดูท่านอธิบายคุณเขคือปัญญาของพระพุทธเจ้ากาไปรู้ธาตุทาให้มันธาตุดีขึ้นมาไปถึงมโนธาตุที่เราเปียนสวดวายุธาต ปยธาตัเตโชธาตัอาโปธาตัาตน้ำปตวีธาตัคือธาตุดินอากาศรธาตัอากาศสะช่องว่างทำให้มันเดินลมเดินสะดวกบางทีมันไม่เดินอีกอะช่องว่าง อ, อย่างลาหายใจไม่ออกเป็นวัดนี่ก็สัจธรรมมันปรากฏความเป็นจริงอย่างที่ว่า วิญญาณาธาตุธาตตากืจากกูวิญญาณตาดรูปของตานะบางคนตาดีมีอายุมากเอาได้มาใส่รูปเข็มก็ได้สมเด็จพระวรนรัตวัดโสมนัสตาอย่างนี้อายุเก้าสิบอย่างนี้มันบุญไม่เหมือนกันนะ เราไปทำอะไรบุญมันไม่แน่เรายังไม่เห็นต้องปุเปย์บำเปปุเปย์นิวาทานมาให้ญานเกิดเห็นกรรมโอ้เราไปทำอย่างนั้นบางทีไปที่ยูอู้เพื่อนก็ได้มันไม่ได้นะทำให้หูเราเสียเลยหรือไปแค่หูคนอื่ในให้เสียก็ได้ตาเราก็เหมือนกันหรือประโยียดตายคนอื่นตาไม่เห็น นี่เป็นเหตุผลของของทางขนแต่เราต้องสันันตุติยินดีสันตุติกาถาเรามียินดีที่ใช่ที่ใช้ใชง่าใช้ได้อยู่ให้พอใจที่เรามีอยู่เป็นคุณธรรมมันํำกันเหมือนกันทำให้จิตเราเป็นฉุกเหมือนกันมันทนอยู่ได้นิธรรมะคือสติ ภาวนาหมายยะปัญญาแต่เราไม่ภาวนามันไม่เจริญทำสติมีสติมีปัญญาคู่กันไปเหมือนแสงสว่างไม่มีไม่มีอย่างหลดตะเกียงหรือตวดไฟฟ้ามันลมข้าไม่ได้กัมันมันแสงก็มีขึ้นมาใจก็ราก็เหมือนกันน่ะ อันใดเข้าตางตามันมีอารมณ์เป็นหนึ่งแสงสว่างคือดวงปัญญาก็เห็นชัดขึ้นมาเลยเห็นความดีที่มีอยู่ในกายของเราเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีความดีใครจะไปสร้างให้ก็ไม่ได้กรรมขเราสร้างไว้แล้วตั้งหลายหลายภพหลายชาติเรา เ, เพ่งพิจารณาไปก็ฉลาดไม่ใช่เห็นนี่พิจารณาเะ กินตามมายาปัญญาภาวนาไปทำมันมันเป็นขึ้นมาวิเวกาถาไปรับความวิเวกคือความสังัดเรามาเรียบสังัดเสียงไกลชัดเจียวยิ่งเสียงแต่เราไม่จกักกูเทปสมมุติมองก็ยินเสียงไกลได้ เพราะไม่ไม่มีคลื่นววรบกวนเหมือนน้ามันใสไม่มีคลื่นเป็นกระจกสองมองเห็นฉะนั้นได้ว่าวิเวกาถาปารอบความวิเวกวิเดรัมปา ก, กว่าปารอบความเพียรความเพียรเป็นคุณฑธรรมันสำคัญเพียรตามความดีบางทีมันอุปสรรค เราเกิดยอ่อท้อเนี่ยว่าจะเดินเนี่ยเขาไม่ดีอ่ะขาดทุนกัดทุนไปเยอะไม่ได้เดินจงกลมไม่ได้เดินนี่ขาดทุนแล้วขันธมานเราแพ้มันนะเราไม่ชนะมานมตําหลักตั้ม บิาลับรคาถาความเพียรมันคุณศึกษาเราเรียนต่างๆความเพียรทนแดดทนหนาวทนร้อนทนความหิวทนต่อทุกขเวทนาในลักษณะนีขันติธรรมจึงจเหตุ เราจึงสร้างผลของความดีเกิดขึ้นในดวงใจของเราปัญญาก็มองเห็นการไกลขึ้นมาพุทธโธมันตื่นมันจิตมันสงบเพื่อพุท ธ, ธะผูร้รู้รู้ตามความเป็นจริงของรู ป, ปากายอย่างนี้ศีรกถาประรบึงศีล แล้วเราเพลิดเินเอตัวศีลที่ตันพอในส่วนนว่าคุณวิเศษมีอยู่ในในในตนหรือไม่คุณวิเศษคืออะไรแต่ถ้าพิจารณาตั้งแต่โซโดาปฏิปนแต่เราพิจารณาขั้นต้นของศีลห้า สุดาปฏิมักสุดาปฏิผลสกายาติติปียุดมัน่นถือมัน่นในรูปประคันอันนี้แหไม่ใช่ได้ไม่ใช่ง่ายนะเพื่อมันเฉล็บไปแล้วจิตมันเห็นผิดเพราะมันอุปาทานยุดมัน่นถือมั่นมานมนานกีเดตมันสนใจเรามานานท่านจะว่าสกายาติติไม่ยอม ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงของรู ป, ปรกายอันนี้่พระพุทธเจ้าตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพรอาทิตย์ที่สกายไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวไม่ทนเราไปยึดมั่นถือมั่นเนีย่ยปิดแล้วแม้ร่างกายของเรเป็นอาศัยกัน วิจิกิจจาสงสัยกันเราทำดีไม่ไหนดียังนี้เป็นต้นเสียไปเลยทำดีก็ได้ดีผลความดีก็อยู่เหมือนเกลือมันเค็มเมื่อเรา ม, ม, มีสติสติสัมโพชจงองคแห่งปัญญาเป็นเครื่องรู้ มันตื่นไง ม, มองเหมือนเราหลับตาแต่ถ้าสลุมสลืออเราไม่รู้อะไรหรอกตา จ, จริงหรือไม่จริงเออคนสมัยโบราณเขาเล่าให้ฟังโจนขึ้นมาตื่นดับดั บ, ดบตื่นตื่นเอาเอาไม้เกว่าหอกไปแทงโจนโจนยิงตายไม่ไม่ได้เขาเรียไม่แน่ไม่นอน การสอนว่าวิจิกิจฉาความสงสัยเรายึดอาศัยในความดีความดีนี้เป็นที่พึ่งถึงก็ว่ากรรมบนาวัตติโรโกโรกไปดำกรรมคือกรรมคือการกระทําของเรานี่แหละ ไม่ต้องเรื่องคูว่านะแต่เราเชื่อมัน่นเราทำดีมันก็ไปดีใครว่าไม่ดีก็ไม่ไม่ได้หรอกความดีมันเป็นของติดตตดวงกิโลงไปแนบสนิทความดีก็เป็นนามธรรมอันหนึ่งเป็นยังชื่อว่าเป็นความดีผลที่เราทำอย่างไรได้ผลคือความดีเป็นนามธรรมมันำชื่อมันมันตรากับจิตแต่เรารไม่รู้เรามันไป มันไปส่งมาแต่เรามีสติขั้นสูงขึินไปเป็นฉลังอุเบกขามันกรองละเอียดหมดเหมือนคนที่เขากรองทำอะไรไปนะี่น้ำน้ำดื่มน้ำมาเปิเล้ลนกรองไม่มีเชื่ออันนี้ทั้งนี้ใสใจของเราก็เหมือนกันที่ใส่จะเข้าใจในตนของตนบุญบุญ ม, มันใสเดียกัน มันกันกรงออกมาพุโทโธเป็นผู้ชีรคาถาสมาธิกาถาจิตมันแนบสนิทกับความดีความดีเดียวทำอะไรแต่ตำทำตาเาเว็นทานทําศีนเขาเห็นศีนรา พ, พด ชีวิตของตนในขมา่าบารมีภาวนาก็จิตก็ฉลาดรอบรู้ลึกลงไปในกายหลายพบหลายชาติจุตูปัตจานิยตูตีแล้วก็เกิด บิญญาณไม่เ้าหรอกมันของเปยหน้าหมดอะไรแล้วอ่ะเพาไปที่คนที่มันหมดอายุไปแล้วมันของเปลยเน่าเยอาศัยไม่ได้แล้วเหมือนบ้านเรือนที่มันปูพังทลายไปแล้วไปอาศัยอะไรก็ไปสร้างใหม่ชีวิตของเราเหมือนกันเรายังสร้างบารมี จงประปูริทัตมันเป็นศีลอธิษฐานเอาอะไรเอาไปไม่ร่วงศีลไม่ทำลายศีลศีลเป็นบารมีกันมาศีลทำบารมี